ขอความสุขความเจริญสุขีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรรทุมกำลังอธิบายขยายความเรื่องปัญญาตามระยะของพระตถาจารย์ข้อต่อไปท่านกล่าวว่าปัญญากว้างขวางเป็นช่ไหน คือปัญญากว้างขวางเพราะอัตวิเคราะห์ว่าญาณเป็นไปในขันต่างๆในธาตุต่างๆมากมายในยตนาต่างๆมากในปฏิจจสมุปบาทต่างๆมากในความได้หนึ่งเนืองซึ่งสุญญตะต่างๆมากประเด็นแรกก็คือขันต่างๆ จะขันนั้นเราก่าวโดยสรุปก็คือรู ป, ปขันกับนามขันจะว่ากราวโดยขยายออกไปก็คือรูปไดแก่สิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เวทนาคือจิตที่สวยอารมณ์ สุก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุกก็ตามและยังมีรายละเอียดอีกเยอะในเวทนาสัญญาก็คือความจำสรุปแล้วก็คือจำรูปนามตัวอย่างที่บอกไว้แล้วว่ารูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ใน ต, ตาหูจมูกดินกายนามก็คือใจและสิ่งที่เรารู้ด้วยใจ แล้วก็จริงรูปนามมันก็ปนปนกันอยู่เจนนายกอเนี่ยเป็นรูปตัวนายกอเองเนี่ยเป็นรูปเรารู้จักว่าคนนี้คือนายกอตัวแสดงว่าอาการที่จิตรู้จักนายกอเนี่ยเป็นนามแล้วก็เราจำนายกอเอาไว้ในฐานะที่เป็นเพื่อนก็เป็นสัญญา พอเจอนายกรเราก็ดีใจมีความสุขใจก็เป็นเวทนาทีนี้สิ่งที่ทำให้เราสุขใจดีใจก็เพราะความรักความเคารพความเป็นมิตรกันก็เป็นสังขารประสาทสัมผัสที่ทำหนะ้าที่รับรู้รูปในกยอนี่ก็เรียกวิญญาณก็แสดงว่ารูปนามเ้าก็ทำงานประสานกัน สัญญาจึงมีหกสัญญาจือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็จำธรรมารมทีนี้มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีอยาบมันมีกลางมันมีละเอียดมันมีไกลมันมีใกล้มันมีรายละเอียดอีกเยอะแต่ก็จับประเด็นไว้เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เป็นสังขารนั้นก็คือกุศลอกุศลหรือกลางๆที่เกิดขึ้นปรุงจิตให้เรามีท่าทีต่ออารมณ์ที่เราสัมผัสไปตามกระแสของกุศลอกุศลหรือกลางๆเช่นเราเห็นคนคนหนึ่งเกิดความสัทาเลื่อมใสก็แสดงว่าเห็นแล้วเกิดกุศล เห็นคนคนหนึ่งเราเกิดความเกลียดัวแสดงว่าเห็นแล้วก็เกิดอกุศลเห็นคนคนหนึ่งเราเกิดเฉยๆก็เป็นอภยา ก, กริชคือกลางๆอันนี้เขาเรียกว่าสังขารวิญญาณก็คือความรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจ ม, มูกรู้รสทางลิ้นรู้รด่นรู้เย็นรอนอ่อนแข็งทางกาย แล้วก็จดนึกอารมณ์ต่างใจทีนี้คําว่ามากหมายความมาท่านขยายไปเช่นสมมุติว่าเป็นรูปปัญหาอย่างเงี้ยรูปตัญหาสัทธาปัญหาคันธะตัญหารสะปัญหาผลพระปัญหาธรรมะปัญหารูปปัญหาในอดีตหยาบกลางละเอียดรูปตัญหาในปัจจุบันหยาบกลางละเอียดรูปปัญหาในอนาคตหยาบกลางละเอียดอะไรก็ อีกเยอะนะฮะคือจับประเด็นเป็นหลักเพราะว่ารู้สึกว่าข้อความช่วงนี้เหมือนกับเรียนหนังสือในชั้นเรียนจะตามปกติแล้วก็ต้องเขียนกระดานด้วยการพูดมันก็ต้องจับประเด็นย่อๆเอาไว้ด้วยเพราะถ้าเราเอาพิสดารมันก็ ใช้เวลาเยอะต่อแต่และเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาอยู่ในพระคำภีเป็นร้อยๆห น, น้าบางเรื่องระว่าสิ่งที่เราเรียนที่จริงก็ไม่ยืนไปจากคันห้านั่นแหละทีนี้ต่อไปก็ในธาตุต่างๆมาก าธาตุก็เริ่มจากอายตนาภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณก็รวมแล้วก็เป็นสิบหกอายตนะภายในหกภายนอกหแล้วก็วิญญาณหกแล้วก็อีกหละคือถ้าเป็นมากก็เป็นอนดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียดเลวกละนี่ใกล้ๆอนาคตก็อนาคตอีกเยอะอดีตก็ดีอีกเยอะอ ปัจจุบันนั้นก็ปรุงแต่งกันอีกเยอะแล้วก็ในอายตนาต่างๆอายตนาก็คือที่ต่อหรือตัวเชื่อมต่อระหว่างอายตนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอายตนาภายนอกก็คือรูปสิ่งนิรโทษพุทธะธรรมารุม แล้วก็อีกแหละก็สามารถจะขยายไปได้เดยอะเมือนกันจนสมมติว่ามันเกิดตหนาในเสียงเนี่ยเสียงนั้นก็มีทั้งเสียงหยาบเสียงละเอียดเสียงไกลเสียงใกล้เสียงเลวเสียงประนีตเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นทั้งอดีตทั้งอนาคตเพราะนัไปนํามาเลยมากทั้งนั้นเลย เัานับกันในวาตไม่ไหวแต่เราก็สรุปประเด็นว่าธาตุมันก็มี16บธาตุก็ไม่ใช่18บธ า, าตุนะสิบธาตุอายตนาภายใน6อายตนาภายนอก6วิญญาณ6แล้วก็ในปฏิจจสมุปบาทต่างๆมาก ปฏิจจสมบัตินั้นเป็นองค์ธรรมสำคัญก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนานมาแล้วหลายเดือนมาแล้วได้เคยนํามาอัตถาทิบายจากสังยุตตนิกายก็ยใช้เวลานา น, านอยู่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะปฏิจจสมบัตินั้นก็คือที่รวมของคำสอนทั้งหมดเช่นเดียวกันก็เป็นอริยสัจสีนั่นแหละ เราจะเห็นว่ามันมีสายเกิดมันมีสายดับสายเกิดมันก็ประกอบด้วยกิเลสกับก ร, รมแล้วก็วิบากสายดับมันก็ดับกิเลสดับกรรมแล้วก็ดับวิบากก็เป็นเรื่องของมรรคสัต์กับนิโรธสัตว์สายเกิดก็เป็นทุกขสัตว์กับเป็นสมุทัยสัตร์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 เรานับถอยหลังมาเอานับที่มรณะก็ก็ได้เพราะมรณะมีในชาราจึงมีเพราะอิชารามีเนี่ยมันเกิดจึงมีชาติจึงมีชาติมีเนี่ยพบมีพบมีก็อุปทานมีอุธานมีก็ตัณหามีตัณหามีก็เวทนามีเวทนามีภาษาก็มีภาษะมีอายตนะมีอยาอยตนะมีก็นามรูปมี นามรูปมีก็วิญญาณมีวิญญาณมีก็สังขารมีสังขารมีก็อวิชามันก็มีก็เรียกว่าทั้งถอยหน้าถอยหลังได้แล้วบางครั้งเวลาท่านอธิบายโดยพิสดารอธิบายจากตรงกลางไปท้ายไปหัวก็ได้อ่านจากตอนหัวมาถึงตรงกลางก็ได้ ตอนปลายมาถึงตรงกลางก็ได้จะตอนหัวเลยไปถึงปลายก็ได้จะตอนปลายเลยไปที่หัวก็ได้ก็แล้วแต่ท่านจะอธิบายอย่างไรทีนี้ภาษาดับก็ดับจากหัวอภิชาดับสังขารดับสังขารดับบิญญาณดับปิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับภาษาดับภาษาดับเวทนาดับ เกิดตัดับก็ตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานดับภพดับภพดับชาติดับชาติระมรณาโศกับฤทธิวตถุกฐะมนณฑอะไรไม่ต้องพูดละมันคนตายแล้วนะ่ะมาว่ามันก็ตายไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีกิเลสเป็นเหตุต้องเกิ ด, ดเองก็จึงเป็นการดับอย่างถาวร เราพูดถึงดับมันเหมือนกันนะฮะคือพูดจากหัวไปไปท้ายเลยพูดจากท้ายไปหัวเลยพูดจะกรงกลางไปท้ายพูดจะกรงกลางไปหัวแต่เราก็มองเห็นแล้วก็คือดับไปโดยจิต น, นี่ก็เรียกว่าปฏิจจสมบัติในความได้เนืองๆซึ่งสุญญตะต่างๆสุญญาตานั้นแปลว่าความว่างหรือความศูนย์ หรือความหมดไปสิ้นไปของสิ่งทั้งหลายคือหมายความว่าสิ่งทั้งหลายที่จริงมันเป็นการเกาะกลุ่มกันเกิดขึ้นของเหตุปัจจัยทั้งหลายแล้วพอปัจจัยต่างๆที่เป็นเหตุให้เกาะกลุ่มกันมันก็สลายไปทั้งหมด วันก่อเห็นปฏิมากรที่เขาสร้างเป็นพระพุทธ ร, รูปสวยงามมากแต่ว่าทำในน้ำแข็งรู้สึกจะแสดงอยู่ที่ต่างประเทศตอนนี้แล้วก็ปีหน้าเขาจะไปเอากลับมาคือแสดงว่าอยู่ในจุดที่มีความเยือกแข็งพระพุทธ ร, รูปเหล่านั้นก็ไม่ละลาย แต่เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนพุทธรูปไม่มีอ่ะมันก็กลายเป็นมาจากน้ําจากไอน้ําแต่ต่อมาน้ํานั้นก็อไยสาเหตุปัจจัยก็กลายเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งก็อาสาเหตุปัจจัยก็คือคนคนก็อาศัยความรู้ความสามารถอาศัยฝีมืออาศัยความตั้งใจอาศัยคติความอดกลั้นความอดทนความเพียรพยายามสติสัมปชัญญะมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยว ในท้อถอยก็สลักขึ้นเป็นรูปปติมาแล้วประเหตุปัจจัยช่วยให้ดำรงอยู่เนี่ยเขาก็ดำรงอยู่ได้เป็นปีๆ็ออยู่ในจุดเยือกแข็งแต่เมื่อเขาออามาก็ต้องไว้ในจุดเยือกแข็งต็อมาไว้กลางแดดถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่มเริ่มเสื่อมเสื่อมแล้ก็ดับาดับก็หายไปเลย แม้แต่ความเป็นน้ำเองก็หายไปจานนั้นก็คืออาการของสุญญาตาก็คือว่างพอย่อยสลายแล้วมันว่างหมดแม้แต่ตัวเราที่เราคิดว่าของเราก็ดีเป็นเราก็ดีเป็นตัวเป็นตนของเราก็ดีแต่การก่กกลุมมันย่อยสลายทุกอย่างมันก็ย่อยสลายคือถ้าเราเข้าถึงสุญญาตา มองโลกเป็นของว่างเปล่าจากสาระแกนสารไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแล้วก็ไม่มีตัวมีตนของเราจริงๆอาการที่จิตยิตมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะจางคลายลงไปประยุทธ์ไว้มันกฏฐานนั่นเนี่ ตำนองใล้ๆกับของมันไม่มีแล้วพอดีคนออกมาฝากไว้บอกว่าพรุ่งนี้จะมเมาคืนเนี่ยคือเราไม่รู้สึกผูกพันว่าเป็นของเราแต่เราก็รับรู้ว่าเป็นของฝากซึ่งแน่เราแน่นอนว่าช่วงที่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องรับมั่นะวะเพื่อไม่ให้ของมันเสียหายหรือว่าถูกโจรขโมยไปแต่เป็นงานปัญหามันก็จะติดมาอีกเยอะเลย แต่ปัญญาที่เรารู้เท่าทันเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนอะไรเมื่อเข า, าเอาคืนและลึกๆได้เรารู้สึกสบายได้สบายทีไ่ไม่ต้องห่วงไม่ตกกังวลมีผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชจ้าวราชนบพิษลรมาหลวงชินวอนสิริวัฒน์ คือท่านเป็นพระที่ไม่สะสมไม่มีอะไรมากไม่มีเครื่องประดับประดาตกแต่งอะไรรุงรังใครมาถวายเวลาคนอื่นเขาต้องการท่านก็ให้ก็ไปก็มีเจ้านายท่านไปฝรั่งเศสไปได้พวกจีรนามาพอถวายเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยให้คนอื่นทุกชีเลย วันนั้นเอามาถวายด้วยแต่ถวายฝากไว้ไอ้เจ้าไม่รับก็ไม่ได้จะรับก็ลำบากพระไทยก็ไอ้เจ้านายพระองค์นั้นนะ่ท่านวางไปปรากฏวางไว้หลังตู้ก็ที่จริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกอยู่หลังตู้ แต่บอดีมันมีแมวตัวหนึ่งไล่ตะคุบจิกงจกไล่ไปไล่มาไปโดนเอาเครื่องจิรไนหล่นโครมลงมาข้างล่างแตกเรียบร้อยท่านบอกแม้สบายใจโล่งใจไปคือเมื่อก่อนก็ทรงวงใหญ่อ่ะพระคองก็ฝากไว้ไปเดี๋ยวองก็หายก็แตกของแมวทำแตกมันก็ไม่มีภาระผูกพันอะไรที่จะต้องรับผิดชอบ คือเป็นทุกข์กั บ, ก, บการมีตามปกติแล้วคนทั่วไปจะเป็นสุ ข, ขกับการมีแต่ว่าพระองค์ท่านกลับเป็นทุกข์กับการมีเพราะต้องมีการระแวดระวังมกขลานะมนุปไม่ใช่มกขลานะโมขราชมขราชมนุ์ได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ข้าพระองค์จะมองเห็นโลกอย่างไรมัจฉราชจึงจะมองไม่เห็นคือตามให้ทันพูดง่ายๆว่าทํำยังไงจะไม่ต้องตายพระเจ้ารับสั่งว่าตุกโกรณโมกราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของศูนย์คือศุญยตาเนี่ยและขอถอนอตานุติกคือความรู้สึกว่าเป็นของเราว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราออกไป ถ้าทำได้เนี่ยมัจจุราชก็จะตามไม่ทันหมายความว่าบรรลุมรผลเป็นพระหนันไม่ต้องเกิดอีกนั่นก็การได้เ น, อนืองคือเห็นสุญญาตาอยู่บ่อยๆในสุดถึงจุดเดืองู่เดเท่านั้นเองเท่านั้นเองมันไม่อื่นไปจากนั้น แต่ใ น, นแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตรเราที่จริงเราก็เห็นสุญญาตาอยู่ทุกวันแกงตักมาร้อนๆวางไม่เท่าไหร่ความร้อนก็หายไปแกงมั่ยังกินได้อยู่วางไว้นานกว่านั้นปรากฏว่าเน่าเสียเลยล่ะหมดสภาพความเป็นแกงแล้วเป็นแกงบูดไปแล้ว ถึงจุดนึงก็ต้องเททิ้งจะให้สัตว์กินก็ไม่ได้ท้องเสียไอศรกรีมตักมาใหม่ๆก็เป็นก่อนๆแต่ว่าเมื่อวางไประยะหนึ่งมันก็ละลายหาความเป็นไอศรกรีมไม่ได้เราก็เจอเขาอยู่ทุกวันในหนานะพวกนี้พวกสุญญาตาในทิ้งเราเจอเขาทุกวัน แต่ว่าปัญญาไม่เกิดรู้เท่าพันความจริงของอารมณ์เ่านั้นก็ทำให้ใจเราฟูโรกแฟบเกี่ยวกับการมีการไม่มีเราจะเดือดร้อนเพราะการไม่มีแล้วก็จะดีใจเพราะการมีแต่ถ้าเรารูให้ดีว่าการมีเนี่ยมันเกิดมาจากไม่มี แล้วก็กลายเป็นมีแต่ถึงจุดหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นความไม่มีตกอลองว่าไม่มีแล้วก็มีแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีเป็นวงจรที่หาจุดจบไม่ได้ก็หมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยก็ทำนองเดียวเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละก็หมุนวนกันไปเรื่อยๆ ก็ต่อไปได้อัดต่างๆมากหมายความว่าอัดถา ก, ก็คือเนื้อหาของเรื่องต่างๆนี่เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งคือคนเราถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งนี่จะประเด็นสั้นๆแตลเรื่องแล้วมาถาอธิบายขยายความจากความรู้จากความเข้าใจ บางอย่างก็าจากใจที่ได้สัมผัสอย่างใกล้ๆกับพระหัตถเทศใหม่ๆเนี่ยคือประเด็นต้องมีหลายไปเด็นเพราะถ้ามาอย่างนั้นมันจะหมดภูมิเสียก่อนคืออธิบายไม่ได้ตามกําหนดเดี๋ยวข้ อ, ขอกําหนดดเทศสามสิบนาทีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราพูดประเด็นเดียวแล้วเราไม่แตกฉานพอ พอถึงจุดหนึ่งมันหมดภูมิอธิบายไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราชำนาญนข้ามีความคล่องแคล่วข้าเข้าใจลึกซึ้งข้าวเนี่ยประเด็นมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้ยล ง, นยลงจนในที่สุดเหลือประเด็นเดียวอย่างหนังสือพุทธศาสนาสุภาษิตก็มีอยู่สามเล่ม เรื่องนักธรรมเอกนี่หลายประเด็นนักธรรมโทก็หลายประเด็นพอนธรรมตรีจะมีประเด็นหลักอยู่เพียงประเด็นเดียวเพราะั้นเวลาพระที่ท่านจำนานเนี่ยท่านจึงไม่เทศประเด็นมากๆเอาประเด็นเดียวซึงฟังเราสังเกตว่า ผู้เจาทรงแสดงอนัตตลกอนสูตรเนี่ยทรงยกขึ้นประเด็นเดียวรู ป, ปังพิกเวนัตตาจบล้ดูก่อนภิกษูทั้งหลายรูปเป็นอนัตตารูปคืออะไรเป็นอนัตตาอย่างไรไรต่โอกลายเป็นพระสูตรใหญ่ยาวพิสูทั้งหลายสิ่งก็บูมเป็นของร้อนแสดงแก่พระปุราณชดิน อะไรที่ว่าสิ่งระเบิดของเราก็ทั้งปวงก็ว่ากันไปแล้วก็แสดงว่าร้อนเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดความร้อนกันตอนต่างๆก็แสดงไปด้วยลำดับเลยนี่ว่าเข้าถึงอัตถะมันมากคือเนื้อหานี่มันมากกรได้แง่ของความจริงแล้วโลกมันก็ไม่มีอะไรมันสั้นๆอ่ะ ซ้ำๆอย่างนี้นะคนเราก็เท่านั้นแหละเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยข้างนอกมาประกอบอีกเป็นนันมากมากจนว่า น, นไม่บาดไม่ไหวคนพอเราเข้าใจอะไรได้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ย เราฟังก็ได้เราอ่านก็ได้เราพูด ก, ก็ได้แล้วประเด็นไม่มากแต่ความมันจะกระจ่างแล้วก็เชื่อมโยงเชื่อมโยงไปไเรื่อยๆเพื่นการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย เออรัเรื่องนี้มีประเดน็นที่จะเล่าแทรกฟังนิดหน่อยคือวันก่อนเนี่ยอ่านป็นการดาวะของศาสนาอิสลามก็เป็นกลุ่มใหม่นะฮะจริงก็มีความขัดแย้งกันอยู่ทางพักคได้ก็ขัดแย้งกันอยู่เป็นวิธีการคิดแนวใหม่ แล้วก็มีการปารตากถาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วคนก็โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตให้ดูให้อ่านคือเขาไปเสดให้เห็นว่าดาวะของเขานี่มีความสำคัญมากยิ่งใหญ่มากที่จะต้องดำรงอยู่ชั่วในรันดอนมีเป้าหมายที่จะสร้างให้ชาวโลกทุกคนเนี่ยเป็นอิสลาม เด็กเขาก็บอกว่าในศาสนาอื่นไม่มีวิธีการแบบดาวะก็มีแต่ศาสนาเขาศาสนาเดียวก็อ่านแล้วก็ น, นึกขำนะฮะว่าวิธีการนั้นมันพระพุทธเจ้าส่งแสดงตั้งแต่ส่งประสาวกไปเผยแผ่ศาสนาแล้ว แต่ว่าการเผยแผ่ศาสนาพุทธนั้นไม่มีวิธีคิดแบบอิสลามเท่านั้นเองพระเจ้ารับสั่งว่าพิสูจทั้งหลายบัดนี้เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์เธอทั้งหลายจงเชียจารใกไป เพื่อประโยชน์เพื่อก <go> ูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอุทธรต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสมบูรณ <ip> ์ในอัตถาคือเนื้อหาปัญจนระคือภาษา และที่เรามาสวดสนเสริญพระพุทธเจ้าที่บอกว่าสาสถังสัพยัญชนะเกวละปริปุนังบริสุทธิังประมาจริยังประกาศเสศิสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระมาจรรันปริสุทธิ์ปริบูรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ในอัฏฐะคือเนื้อหาและพยัญชนะคือภาษาเพียงแต่ว่าวิธีการของเรานั้นมันทําแบบฝนตก ไครปรารถนาจะรับน้ําก็รับไม่ปรารถนาจะรับก็เป็นเรื่องของเขาแต่ภารกิจของฝนนั้นได้ทำแล้วเพราะมุ่งมุ่งที่จะนจุเคราะโลกไม่ได้มุ่งที่จะล่าศาสนิกจากศาสนาการที่คนเปลี่ยนมานะับถือพระพุทธศาสนาเพราะก็ศรัทธาของเขาเองก็สมัครใจเองประกาศตนเป็นอุบาศกัณฐ์เก็ก็ประกาศเอง เขาบูช์เขาก็ขอเองเป็นเรื่องของความสมัครใจเราไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้คิดจะเอาอิสลามมาเป็นเป็นพุทธไม่ได้คิดจะเอาคริสมาเป็นพุทธไม่คิดจะเอาพราหมณ์มาเป็นพุทธเป็นเรื่องการแสดงสัจธรรมให้เกิดความเข้าใจการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่มีหน้าที่ ไปบอกกล่าวชวนชวนชักชวนมามาบวชกันเถอะมาเป็นอุปสมบาศิกากันเถอะเราไม่มีวิธีการอย่างนั้นเท่า น, นั้นเองเปลี่ยนแต่ว่าวิธีนี้คริตเขาเรียกไดยันหรอกคนอิสลามเขาเรียกว่าดาวะเราเรียกว่าจจริการบูชะอิตายะบูชาสุขายะโลกาโนกัมปายะ จิตายยะสุขายะเดวมนุษยานังแต่เราใช่จริงๆก็ใช้แค่สองคำสามคำนะฮะเจริาสพิกเวจริกังใช้แค่สามคำเท่านั้นเพราะฉะนันคำว่าถะกับคำว่าพยัญชนะ น, นั้นจะต้องสอดคล้องกัน พยัญชนะเราลองสังเกตที่วนก่อนึ่งพูดถึงปัญญามากก็บอกปัญญามากแต่ว่าอัตถะของคำว่าปัญญามากนี่ว่าจะตั้งหน้ากระดาก็ความวิจิตพิสดารข้อนี้แปลว่าปัญญากว้างขวางปัญญากว้างขวางเราจะเห็นว่าก็เริ่มเยอะอีกล้ แต่ต่อไปก็เป็นปัญญาแจ่มแจ้งต่อไปก็เป็นปัญญาว่องไวก็ปัญญาว้องไวหนึ่จะเยอะอีกอ่ะนั้นคืออัฏฐะคือเนื้อหาเขาแนวตัวเนี้ยมีการอธิบายไว้แนวปฏิสัมพิธามักยุลานิเทศมานิเทศในอภิธรรมนะฮะกัมเพียริธรรมจะอธิบายในแนวเนี้ย ก็วิจิตพิสาราดยกันทั้งนั้นต้องใช้ความจาเยอะความเข้าใจเยอะแต่ว่าประเด็นมันก็คืออริยสัจสีนั่นแหละข้อต่อไปบอกว่าในธรรมต่างๆมากในธรรมต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าสรุปแล้วก็เป็นกุศลอกุศลอภิญากฤตแต่ว่าที่เรานำมาพูดมากเลยก็คือกุศลกับอกุศล เด้วมีความหลากหลายมีความหลากหลายในธรรมะข้อนั้นนั้นอย่างอะไรล่ะอย่างสมมติว่าภูมิของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาภูมิเป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งเป็นที่ดำเนินของจิตคือวิปัสสนาเนี่ย มีอะไรละมีขันห้ามียัญตนาสิบสมีท่าสิบแมิน4 22ยี่สิบสองยาสัตว์สมีปฏิจจสมบัติอันนี้เขาเรียกว่าอาาัฐะคือมันคลุมไปปัญญานะต่างกันนะฮะปัญญนะต่างกันแต่ทีนี้พอเรามากเกาะกลุ่มมากเกาะกลุ่มเราจะเห็นว่ามันก็เป็นทุกข์สัต อะไรล่ะคะหนาก็เป็นทุกขสัต์อายตนะหกก็เป็นทุกขสัต์อายตนะอีกหภายในหก 6, ภายนอกหก็เป็นทุกขสัตว์แล้วก็ธาตุสิปก็เป็นทุกขสัตปูนยี่ิบสอ2เนี่ยเป็นหมเลกเนี่ยปูนซียี2สองแล้วก็มาสรุปรวมอยู่ที่อายตส ไอ้ยศศี 4, พอขยายก็เป็นปฏิจจสมบัติพอยุบยุบรวมก็กลายเป็นอริยสัจพอยุบรวมอีกทีหนึง่งก็เป็นกลุ่มของทุกกลุ่มสมุทรไทยกลุ่มในโรกกลุ่มมากยุบรวมอีกทีหนึ่งก็เป็นนามรูปคือหมายความขยายก็ได้ย่อ ก, ก็ได้ก็แล้วแต่ว่า ต้องการจะย่อหรือว่าต้องการจะขยายแต่ปกติแล้วก็ไม่ค่ขยายมากๆครับเพราะว่าเรื่องเรื่องค่อนข้างยาวก็ตอนในความได้เนืองๆไม่ใช่ในในธรรมต่างๆมาก ทำมันก็เยอะในในเนี้ยเช่นเช่นสมมติว่าเราเรียกในแนวของนวังกษัตุศาสตร์คำสอนมีโครงสร้างเก้าอย่างสูตรสุตสตะเคยยะวยากณาคาถาอุทานิติวุตรกะชาตากะอภูรธรรมเวทลัละเนเนี่ยแล้วก็ย่อยมาแต่และข้อสูตรก็ว่ากันวิจิตพิสัณ ก็เล่นกันเป็นหมื่นๆเนี่ยเล่นกันเป็นหมื่นๆสูตรเราวิจิตพิสดาของเราตามปกติประเทศไทยเราไม่นิยมท่องท่องภาษาสูตรมากๆอย่างนั้นพม่าเนี่ยเขานิยมท่องมีคนจําราไตรปิดกได้หมดอ่ะสี่สิบพลาเล่มเนี่ยตั้งหลายท่านนะแล้วจำเฉพาะวินัยปิฎก จ, ำจํำเฉพาะภาสูตรตันต์รปิดก จ, จําเฉพาะอภิธรรมปิฎกก็เยอะ แล้วก็ยังจำเป็นนิกายอะไรต่างๆอีกเยอะก็วิธีเรียนแตกต่างกันแต่นั้นก็หมายความว่า เ, เรื่องเหล่านั้นถ้าเราติดขัดเราก็เรียนถามท่านได้แต่ก็ตอบไปเราได้แล้วในนิรุตต่างๆมากคือแตกฉานในภาษามาก ภาษาก็แตกฉานทั้งอัตตะคือเนื้อหาและก็พยัญชนะนคือภาษาไม่แยกว่าแตกฉานเฉพาะถูกภาษาแต่แตกฉานในอัตตะคือเนื้อหาของภาษาเหล่านั้นอย่างคนในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวลองสังเกตว่าเวละคนอย่างเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยก็ได้หลายภาษาอย่างน้อยสองสามภาษาเพราะว่า คนที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยเลูกเขาเรียนภาษานั้นภาษานี้ภาษาน้นเก่งในด้านภาษาแต่ว่ากว่าจะเข้าใจอัรฐะได้ลึกซึ้งเนี่ยมันต้องกินเวลาเราไม่สามารถจะเข้าใจอัรฐะลึกซึ้งได้หรอกมันเป็นความสละสลุยของภาษา ในกลาวานเนี่ยที่จริงมันพวกปัญญาทั้งนั้นแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่ถูกรู้ด้วยปัญญาแล้วก็มีปัญญาในเรื่องเหล่านั้นเพราะนิรุตติในภาษาเนี่ยใครได้มากใครก็ยิ่งดีนะไปไหนก็ไม่ติดขัดให้ลำบาก ไปต่างประเทศไปที่ไหนก็คุยกัเขาได้อย่างนึกชมจอมพลผินชุนนวันคือท่านเป็นนักเรียนในสิบ น, นนะฮะท่านไม่เคยดิ้นรนควรขวายที่จะเป็นาปนายกเหตดผพลก็คือว่าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เรียกควารู้จักประมาณตัวเอง แต่ว่าโดยประเพณีจริงๆคือเวลาประชุมกันเป็นทางการเนี่ยเ้าก็พูดภาษาของตัวเองแล้วก็มีล่ามแปลกันเกิดเป็นวิธีการหนึ่งที่เรียกว่าเสเมือภาคกันใครจะเก่งภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอประชุมเป็นทางการแล้วก็พูดภาษาของตัวเองล่ามก็แปลไปแล้วก็ล่ามแปลผิด ท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบจะเป็นวิธีการนะฮะวิธีการทางการทูตเพราะว่าอัถะเนมันลึกซึ้งทันึงนิยมเขียนไปอ่านถ้าจะเกิดอภิปรายเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือว่ากราวสมมติเนียคถาก็ต้องเขียนไปอ่าน จะได้ตรวจสอบอั ธ, ธาใา้มันลึกซึ้งจะให้เกิดผิดพลาดขัดกับเจตนาลมในการพูดทีนี้ในปฏิพานต่างๆปฏิพานนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นไหวพริบ ป, ปฏิพานในการแก้ปัญหาต่างๆที่บังเกิดขึ้นอย่างที่เคยเล่า อเจ้าเสด็จไปทรามานอารวะกยักษ์เนีจะเห็นว่าสงชาใช้ปฏิพานตลอดไปประทับนั่งบนแท่นของอารวะกยักษ์ก่อนโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของถ้ามาอยู่เมื่อมาถึงถูกคมคูคุกคามพระองค์บอกให้ลุกขึ้นพระองค์ก็ลุกขึ้น จิตใจเขาอาุญยก่อนโยนขึ้นขนองบอกให้ไปนั่งพระองค์ก็นั่งบอกให้ลุกขึ้นพระองค์ก็ลุกขึ้นบอกให้ไปนั่งอีกพระองค์ก็นั่งบอกลุกขึ้นอีกทีนี้ไม่ลุกละบอกว่าที่ต้องลุกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตแต่ว่าท่านอนุญาตได้นั่งสองครั้งเลยนะเพราอนตอนนี้ได้รับการอนุญาตแล้วก็ไม่ลุก อาเลยักษ์ก็ยอมจำนวนเพราะมเป็นความจริงนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นเป็นปฏิภาณเป็นไวริบปฏิภาณที่แก้ความรู้สึกโกรธของอะโลกยักษ์ให้ใจอ่อนโยนแล้วพอถึงจุดหนึ่งเมื่ออะโลกยักษ์คงขู่คุกคามในววิธีการต่างๆก็ ตรงให้สติว่าพูดนะพูดได้แต่ว่าทามไม่ได้หรอกแกก็เปลี่ยนเป็นการถามปัญหาถามปั๊บปอบปุ๊บถามปั๊บปอบ ป, ปุ๊บเลยใช้คำเท่ากันใช้ฉันในลักษณะเดียวกันในขณะที่ของยากในากาจำแต่คงของพุทธเจานน้าีนรู้ ตอนพอถามมาพระยานก็ผุดขึ้นรับทันทีตอป้ปุ๊ บ, บ, บ, บคล้ายๆกับเราพูดถึงสีปราศที่เรายกย่องสีปราศดังความจะเห็นว่านั้นมันมีลักษณะของปฏิภานคือหมายความว่าคนอื่นเนี่ยเขาเตรียมตัวมาเตรียมคําโครงมาเรียกว่าท่องมาก็แล้วกั น, นเขียนมาอย่างดีแล้วก็ท่องมาแต่สีปราดไม่รู้ วเขาจะพูดยังไงเพียงแต่ว่าพอเขาเริ่มพูดก็ต อ, ตอบได้ทันทีอย่าแม้แต่การไปอ่านโครงของพระนารายสองบาทที่บิดาเขียนลงไว้ที่กระดานฉนวนก็มาเตรียมทิ่จะหากวิธีต่ออีกสองบาท ก็ยังตอบไม่ได้เด็กศรีปราดไปเห็นข้าต่อเลยนั้นแสดงให้เห็นถึงไหวพริบปฏิพัณฑ์ที่มีอยู่ภายในใจพณรายพระราชทานแหวนให้ศรีปราดพระเจ้าเชียใหม่ก็ถามว่าแหวนนี้ท่านได้แต่ได้มา ต่อพระเจ้าพิพพโลกาท่านให้ทาชอบสิงายนาวานบอกแต่งโครงถวายท้ายท่านให้รางวัลเราเห็นว่าของพระเจ้าเชียงใหม่นั้นเตรียมตัวมาก่อนแต่ของสีปราดเขาไม่ได้เตรียมเดี๋ยวก็ตอบได้จากนี้มีกี่โครงบทหนึ่งที่เหลืออยู่สองมาทัศนะคคือพวกนางสนม เตรียมเตรียมการมาอย่างดีก็แอบซ่อนตัวอยู่เห็นสีปราดเดินพอเดินมาถึงก็ออกมาเลยถามเลย่าโครงกระทูขึ้นมาเลยนกน้อยนอนแนบน้ำในนาใช้นอนหนูล้วนสีปราดก็ตอบว่าต้มเตอติดเต็มตาถึงเต้นตัวตอล้วน นาสนมไม่ได้เตรียมบาตรที่สามมาเลยวิ่งหนี้นี่คือพวกปฏิภาณเพราะในการแสดงธรรมะของพระสารีบุตรก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยเราจะเจอปฏิภาณในเยอะเลยมันเป็นไหวพริบที่โต้ตอบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามไม่เคยติดนะฮะ ต, ตลอดระยะเวลาว่าไม่เคยติดเลยเราได้ตลอดเราก็เห็นอัศจรรย์ของคําวิญญาณความอัศจรรย์ของคำวิญญาณเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนเราก็ไม่เคยสัมผัสนะครับแต่ถ้าเราเทียบก็เทียบกับเรื่องที่เราเข้าใจพอถ้าเราเข้าใจแล้วแม้แต่ว่านิ่งๆก็ถามปั๊บเนี่ยเราก็ตอบเลยปุ๊บเลย พออ้าปากจะถามไปนิดเดียวตัเองเรารู้คาตอบนั้นแสดงเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจยาในมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะมากไม่รู้เท่าไหร่แต่เราเทียบได้นะฮะว่ามีเรื่องเป็นอันมากที่ถามปั๊บเราตอบได้ปุ๊บเหมือนกันแต่เราตอบจากความเข้าใจความจำนั้นไม่แน่มันลืมได้แต่ความเข้าใจเนี่ยมันคือ คือเข้าใจอ่จะอยู่ภายในใจของเราแล้วเราก็ตอบได้ทันทีทันใดนี่ก็คือเป็นเรื่องความฉลาดในปฏิภาณหลากหลายซึ่งก็มีอยู่ในคุณสมบัติของพระสารีบุตรเทระก็ในประเด็นที่เรียกว่ามีปัญญากว้างขวาง มีปัญญากว้างขวางมีปัญญามากเรามีปัญญากว้างขวางอย่างอีกหลายหลายประเด็นอยู่ทั้งความทางังหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี